ในอุบาลีเทระคถ า, าเล่มที่ห้าบดหน้า282ได้ยินว่าพระอุบาลีเทระได้พาสิทธคถ า, านี้ไว้อย่างนี้ว่าภิกษุผู้ออกบวชใหม่ๆด้วยศรัทธายังใหม่ต่อการศึกษาควรคบหากรยานามิตรผู้มีอาชีพบริสุทธิ์ไม่เกียรติคร้าน ภิกษุผู้ออกบทใหม่ๆด้วยศรัทธายังใหม่ต่อการศึกษาควรพำนักอยู่ในหมู่สงฆ์เป็นผู้ฉลาดศึกษาพระวินัยภิกษุผู้ออกบทใหม่ๆด้วยศรัทธายังใหม่ต่อการศึกษาต้องเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่ควรและไม่ควรไม่ควรประพฤติตนให้เป็นคนออกหน้าออกตาอันนี้เป็นคำที่เรียกว่าสอนคนใหม่ดีอย่างดีเยี่ยมเลยนะ ที่กล่าวว่าผู้ที่ออกบวช ด, ด้วยศรัทธาคําว่าบวช ด, ด้วยศรัทธาในที่นี้ก็คือศรัทธาในพระธรรมตรายนะศรัทธาในความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมแล้วก็ความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ซึ่งยังใหม่ต่อตายศีรษะยังใหม่ต่ออธิศีนยังใหม่ต่ออธิจิตยังใหม่ต่ออธิปัญญาเนี่ยก็ควรคบหากะรยานมิตร น, นะนะซึ่งกะรยานมิตรก็ประกอบไปด้วย เป็นผู้ที่มีวาจาสละสลวยพูดถ้อยคําน่ารักมีขันติอดทนเป็นผู้แสดงธรรมได้กล่าวคําลึกซึ้งเป็นต้นะนะแล้วก็กัลยาณมิตรนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพบริสุทธิ์ก็คือดํารงมั่นอยู่ในพระธรรมวินยัยเป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่เกียจคร้านในการสอนเหมือนั้นเรียกว่าจะต้องหาอาจารย์ให้ได้นะกัลยาณมิตรในที่นี้เน้นที่อาจารย์เป็นอาจารย์ที่มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ไม่เกียจคร้าน แล้วก็ควรพำนักอยู่ในหมู่สงฆ์แล้วก็เป็นผู้ฉลาดศึกษาพระวินัยเพราะพระวินัยนี่สำคัญมากนะเพราะว่าวินัยก็คื อ, อนัยยะต่างๆหรือกำจัดความไม่ดีทางกายทางวาจาหรือวิธีการฝึกกายวาจาให้มันดีนั่นเองมันเราควรจะฉลาดควรศึกษาที น, นี้ต้องเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่ควรและไม่ควรอะไรควรอะไรไม่ควร ที่สำคัญท่านเตือนเป็นคำสุดท้ายว่าไม่ควรประพฤติตนเป็นคนออกหน้าออกตาเหมือนนอันนี้ก็เป็นคำที่ท่านกล่าวเพื่ออนุเคราะห์มูสิตทั้งท่านเป็นอาจารย์ใหญ่มากในสมัยพุทธกาลพระอุบาลีเนี่ยพูดถึงประวัติของพระอุบาลีเทระเลยนะว่าในอดีตการพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระได้เกิดขึ้นในเครืหาของผู้มีสกุล ก็คือเกิดในตระกูลเศรษฐีในนครหังสาวดีวันหนึ่งฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาได้เห็นพระศาสดาทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งให้ดำรงตาแหน่งเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งพระวินยัยก็ทากรรมคือบุญญาธิการและก็ปรารถนาทานนันดอนนั้นคนที่จะปรารถนาเอตทัคคะโดยโดยมากเนี่ยจะต้องเกิดในตระกูลสูงพอที่จะทาบุญค่อนข้างใหญ่เลยแหละ จึงจะปรารถนาสําเร็จเนี่ยนะความปรารถนานี่ถ้าคนไม่มีบุญไม่มีทรัพย์เก่ามาเลยเนี่ยปรารถนาไม่สําเร็จอยู่แล้วอันผู้ที่จะปรารถนาอะไรสําเร็จเนี่ยจะต้องเป็นผู้มีบุญหรือไม่ก็ภาคเพียรในการทําบุญจริงจริงจึงจะสำเร็จท่านบําเพ็ญกุศลจนตลอดชีวิตท่องเที่ยวไปมาในเทวโลกและมนุสโลกนี้พอมาในพุทธบาทการนี้ก็ถือปฏิสนธิในเรือนของช่างกรารบดช่างตัดผมมันนะ มารดาและบิดาก็ขนานนามของท่านว่าอุบาลีท่านเจริญวัยและก็เป็นที่เลื่อมใสของกษัตริย์ทั้งหกมีพระนุรุทธะเป็นต้นเมื่อพระตถาคตเจ้าประทับอยู่ที่อนุปิยมพวันได้ออกบวชพร้อมทั้งกษัตริย์หกองที่ออกไปบวชเนี่ยนะจิงท่านก็ติดตามเข้าไปอ่ะนะติดตามเป็นช่างกระบอกอะติดตามกษัตริย์ทั้งหไปเสร็จแล้วก็กษัตริย์เขาก็เลยให้ออกบวชก่อน นี่แหพระอานนท์พระอนุรุทธะพระเทวทัตเป็นต้นนะท่านเหล่านั้นจะต้องลุกกราบพระอุบาลีกันทั้งหมดนี่นวิธีบวชของท่านก็มีในพระบาลีคือในพระไตรปิฎกซึ่งรายละเอียดตรงนี้ไม่เอามากล่าวครั้งท่านบรรพชาอุปสมบทแล้วก็รับเอากรรมฐานในสำนักของพระศาสดากล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์เนี่ยจงทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์อยู่ป่าเถิดพระองค์ก็ตรัสว่าเมื่อเธออยู่ป่า อย่างเดียวเธอจะได้ธุระอย่างเดียวเท่านั้นคือจะได้แต่วิปัสนาธุระถ้าไปอยู่ป่านะแต่เมื่อปฏิบัติอยู่ในสำนักของเราจะได้ทั้งคันธะธุระและวิปัสนาธุระจักบริบูรณ์คือถ้าไปอยู่ป่าใช่ไหมก็ได้แต่เจริญวิปัสนาพิจารณาคันนัยตนาธาดน้อมไปเพื่อจะบรรลุก็ได้อย่างเดียวอะ่ะแต่ว่าความรู้ความเข้าใจในพระปริยัติธรรมที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นก็ทําไม่ได้ ทีนี้พระองค์ก็เท่ากับบอกว่าอนุญาตให้ให้อยู่ในสำนักนะในพุทธสำนักพระเทระก็รับพระพุทธรำมรัสแล้วบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ไม่นานเลยก็บรรลุเป็นพาาระอรหันต์พันท่านก็กล่าวประวัติของท่านในคำพีอาปทานว่าในหงสาวดีนครพรามชื่อว่าสุชาติสะสมรัพย์เอาไว้8ปสบโกดมีรั์และข้าวเปลือกเพียงพอเป็นนักศึกษา ทรงจำมนไว้ได้ถึงฝั่งแห่งไตรเพศจบลักษณะอิทธิบาทและบารมีในธรรมของตนก็คือเป็นคนสุดยอดของการศึกษาสมัยนั้นคิดดูจะขนาดไหนสาวกของพระโคตมะพุทธเจ้าผู้มีธรรมะเครื่องเวนมีศึกษาอย่างเดียวกันเป็นทั้งผู้จาริกเป็นทั้งดาบ ท, ท่องเที่ยวไปตามพื้นดินในครั้งนั้น ท่านเหล่านั้นหอมล้อมข้าพเจ้าชนจำนวนมากบูชาข้าพเจ้าด้วยสำคัญว่าเป็นพรามผู้เปลืองปราดแต่ข้าพเจ้าไม่บูชาอะไรในการครั้งนั้นข้าพเจ้ามีมานะกระด้างไม่เห็นผู้ที่ควรบูชานะนี่แสดงว่าในชาตินั้นเนี่ยเกิดมาในตระกูลร่ำรวยมีคนนับหน้าถือตาก็เนี่ยทำเนียมเขาวางงันเถอะ ชาติดีตระกูลดีผิวดีรูปดีหล่อดีรวยดีปัญญาดีฉลาดดีเนี่ยพวกเนี่ยที่ตั้งของมานะเพราะฉันไม่เห็นใครอยู่ในสายตาเหมือนกันฉนั้นคำว่าพุทโธไม่มีตลอดเวลาที่พระชินเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นวันคืนล่วงไปล่วงไปพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงมีจักสุเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงขจัดความมืดทั้งมวลออกไป เมื่อศาสนาแผ่ออกไปในหมู่กษัตริย์และหนาแน่นขึ้นในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้ามายังพระนครหังสาวดีพระผู้มีจักษุได้ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่พระบิดาเวลานั้นบริษัททั้งหลายโดยรอบประมาณหนึ่งโยน์บรรดามนุษย์ทั้งหลายท่านผู้เขาสมมุติกันแล้วในครั้งนั้นได้แก่ดาบทชื่อว่าสุนันทะได้ใช้ดอกไม้บังแสงแดด ตลอดทั่วพุทธบริษัทในครั้งนั้นโห้มีฤาษีเนี่ยกั้นดอกไม้อันเดียวเป็นร่มให้หมดอ่ะเ<ล>มื่อพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดทรงประกาศสัจจะทั้งสี่ที่ประดำดอกไม้บริษัทแสนโกรธได้บรรลุธรรมแสดงครั้งหนึ่งโอบรรลุแสนโกรธแต่ไม่มีเราอยู่ในนั้นอยู่ได้นานกันะ พระพุทธเจ้าทรงหลังฝนคือพระธรรมเป็นเวลาเจ็วันเจคืนโอ้โหพระองค์แสดงธรรมตลอดเจวันเจคืนครั้นในวันที่8พระชินเจ้าทรงสรรเสริญสุนันทดาบทว่าสุนันทดาบทนี้เมื่อท่องเที่ยวไปมาในภพที่เป็นเทวโลกหรือมนุษยโลกจะเป็นผู้ประเสริฐกว่าสรรพสัตว์ท่องเที่ยวไปในภพทั้งหลายในแสนกลับจกมีพระศาสดาในโลก ทรงผสมพบในราชตระกูลของพระเจ้าโกกาคาราชพระนามว่าโคดมโดยพระโคดพระองค์เนี่ยจักทรงมีพุทธชินโนรสผู้เป็นธรรมทายาทที่ทำเนรมิตขึ้นเป็นพุทธสาวกโดยนามว่าปุณณะมันตานีบุตรพระปุณณะมันตานีบุตรเนี่ยอดีตชาติเมื่อแสนกัปที่แล้วนะท่านเป็นผู้ถือดอกไม้อะให้พระพุทธเจ้าเทศะประรำดอกไม้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะทรงให้ชนทั้งหมดเนี่ยกระหยิ่มใจทรงแสดงพร ะ, ะยานของพระองค์ได้ทรงสรรเสริญสุนันทาดาบทอย่างนี้ในครั้งนั้นชนทั้งหลายก็พากันประนมมือนมัสการสุนันทาดาบทกระทําสการะในพระพุทธเจ้าแล้วชำระขติของตนให้ผ่องใสก็คือไม่ไปอบายเดรฉ า, านกับเปรตเนี่ยนะชำระขติก็เหลือมนุษย์กับเทวดานี่ยแหละ ข้าพเจ้าได้ฟังพระดํารัสของพระมุนีแล้วได้มีความดำริในเรื่องนั้นว่าแม้เราก็จะทําสการะโดยวิธีที่จะเห็นพระโคโดมพุทธเจ้าแม้สุนันทดาบทยังจะได้เจอพระโคโดมเลยนะเราก็น่าจะได้เจอบ้างข้าพเจ้าครั้นคิดอย่างนี้แล้วก็ได้คิดถึงกิริยาของข้าพเจ้าว่าเมื่อไรเนอเราจึงจะประพฤติกรรมในบุญยเขตที่ยอดเยี่ยมเอ้เราอยากเป็นอย่างนั้นทําไมเราไม่ทําบุญบ้างละ่ะว่างั้น ก็ภิกษุผู้เป็นนักปราดรูปนี้ผู้ดได้ทุกอย่างถูกยกย่องในาศาสนาในาศาสนาถูกยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในพระวินยัยเราปรารถนาตำแหน่งนั้นก็เออเราปรารถนาตำแหน่งอะไรดีนะในพระพุทธเจ้าองค์หน้านะแต่ว่าอยากเกิดในยุคนั้นอะ่ะหาเลือกตำแหน่งดูไปดูมาก็เห็นว่าเออนี่แหละผู้เอตทคฆะทางพระวินัยเนี่ยดีที่สุดโภคะของเราเนี่ยไม่มีผู้จะนับได้ ไม่มีผู้จะให้กระเทือนได้เปรียบเหมือนทะเลเขารวยมากเลยนะพระวาลีในชาตินั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าด้วยโภคะนั้นนะรวยมากคนอื่นเขาทําบุญแค่เจ็ดวันสามวันเลยเจ้านี้สร้างวัดเลยพระคาราเจ้าได้ซื้อสวนชื่อว่าโซนะด้านหน้าพระนครด้วยทรัพย์แสนหนึ่งสร้างสังขารามถวายแสนสมัยนั้นนะคารเจ้าได้สร้างสังขาราม แต่งเรือนยอดปราศาสตมณดกถ้ำคูหาและที่จงกรมให้เรียบร้อยข้าพเจ้าได้สร้างเรือนอบกายโรงไฟโรงเก็บน้ำและห้องอาบน้ำถวายแด่พระพิสูุสงฆ์ข้าพเจ้าได้ถวายปัจจัยนี้ทุกอย่างคือเตียงตังภาชนะเครื่องใช้สอยและยาประจำวัดเนี่ยนะเื่องยาเขาก็ทำบุญเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าครั้นเริ่มตั้งอารักขาก็ให้สร้างกำแพงอย่างมั่นคงขออะไรอะไรอย่าได้เบียดเบียนท่านเลยข้าพเจ้าได้สร้างที่อยู่อาศัยให้ท่านผู้มีจิตสงบผู้คงที่ในสังขารามด้วยทรัพย์จำนวนแสนสร้างที่อยู่อาศัยนั้นอย่างไพยบูรณ์แล้วได้น้อมถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์สร้างพระอารามสาเร็จแล้วข้าแต่พระมุนี ขอพระองค์จงทรงรับข้าพระองค์จักถวายพระอารามนั้นข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมีความเพียรผู้ทรงมีจักสุขอพระองค์จงทรงรับพระวิหารนั้นสร้างวัดถวายกินดูนิมนต์พระพุทธเจ้าไปรับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวัปทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกทรงเป็นนายกทรงทราบความดําริของข้าพเจ้าแล้วทรงรับเครื่องบูชาทั้งหลายทรงรับพระอารามนั้น ข้าพเจ้าได้ทราบการทรงรับของพระสันเพชผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วได้เตรียมโภชนาไว้ได้ทูลให้ทรงทราบเวลาแห่งพัดเนี่ยนะก็คือพระองค์รับอ น, นะเมื่อข้าพเจ้าทูลให้ทรงทราบเวลาแล้วพระประทุมมุตระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นนายกพร้อมด้วยพระขีนาศ พ, พันหนึ่งได้เสด็จเข้าไปสู่อารามของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้การเวลาที่พระองค์และพระขีนาศทั้งหลายประทับนั่งแล้ว จึงให้ท่านเหล่านั้นอิ่มนนำสําราญด้วยข้าวและน้ำครั้นทราบการเวลาที่สเสวยแล้วจึงได้ทูลคํานี้ว่าอารามชื่อว่าโสพณะโสพณะก็แปลว่าดีะนะอารามสวยอย่างั้นค่ะข้าพระองค์ซื้อด้วยทรัพย์แสนหนึ่งสร้างด้วยทรัพย์จํานวนเท่านั้นเหมือนกันข่าแต่พระมุนีเจ้าขอพระองค์ทรงรับอารามนั้นด้วยด้วยการถวายอารามนี้และด้วยเจตนาและปณิธาน เจตนาคือความตั้งใจทำบุญปณิธานคือความปรารถนาะข้าพระองค์เมื่อเกิดในภพขอให้ได้สิ่งที่ข้าพระองค์ปรารถนาะพันปรารถนาะสิ่งใดขอให้สมปรารถนะาเถอดทำบุญที่ทำเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับสังขารามที่สร้างเรียบร้อยแล้วได้ทรงประทับนั่งในที่ถ้ำกลางสงได้กล่าวคำนี้ไว้ว่าผู้ใดได้มอบถวายสังขารามที่สร้างเรียบร้อยแล้วแด่พระพุทธเจ้า เราตถาคตจะกล่าวสรรเสริญเขาผู้นั้นขอท่านทั้งหลายจงฟังคำของเราผู้กล่าวอยู่จดตุรงขเสนาคือพลช้างพลมา้าพลรถและพลเดินเท้าจากแวดล้อมผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการถวายสังขารามสร้างวัดก็ได้กองทัพวหางอนกันน่เครื่องดุรยยางหกหมื่นเละกลองทั้งหลายที่ตกแต่งไว้อย่างเหมาะสมจากประคมห้อมล้อมผู้นี้อยู่เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการถวายสังขาราม หญิงสาว 86,000 นางแต่งตัวอย่างสวยงามนุ่งห่มพัตตราพรที่สวยงามประดับประดาด้วยแก้วมณีและแก้วกุนทนมีขนตางอนหน้าตายิ้มแย้มมีตะโพกพึงผายเอวบางร่างน้อยห้อมล้อมผู้นี้อยู่เป็นนิดนี่เป็นผลแห่งการถวายสังฆารามผู้นี้จักรื่นเริงบันเทิงใจอยู่ในเทวโลกเป็นเวลาสามหมื่นกับจักเป็นเท้าส ก, กะ สเสวยเทวราชสมบัตถึงพันครั้งจากได้สเสวยสมบัติทั้งหมดที่พระราชาแห่งทวยเทพจะพึงประสบจากเป็นผู้มีโพกทรัพย์ไม่บกพร่องสเสวยเทวราชสมบัติจากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในแวนแควนตั้งพันครั้งสเสวยราชสมบัติอันไพ่บูรในแผ่นดินนับครั้งไม่ถ้วนในอีกแสนกับจกมีภะษาสดาในโลก ทรงสมภพในราชตระกูลโกากากราชทรงพระนามว่าโคตมะโดยพระโคดพระองค์จักทรงมีพุทธชิโนโอรสเป็นผู้ทรงธรรมัธายาที่พระธรรมเนรมิตขึ้นเป็นพุทธสาวกโดยนามว่าอุบาลีเธอจักบำเพ็ญบารมีในพระวินัยเป็นผู้ฉลาดในฐานะอาถรณะดํารงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระชินะและเป็นผู้หาอาสวะมิได้ น, นพระสมณะโคดมผู้ล้ำเลิศดในหมู่สักยะผู้ทรงรู้ยิ่งซึ่งสิ่งทั้งหมดนี้แล้วจักประทับนั่งในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์ทรงแต่งตั้งเธอไว้ในเอตะทะคะข้าพระองค์ปรารถนาคำสั่งสอนของพระองค์โดยไม้เอาประโยชน์ใดที่นับไม่ถ้วนประโยชน์นั้นคือธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงข้าพระองค์ได้บรรลุแล้ว คนต้องราชทันเมื่อถูกเหลาแทงเมื่อไม่ประสบความสบายเพราะเหลาก็ปรารถนาจะพ้นไปทีเดียวฉันใดข้าแต่พระมหาวีระข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันต้องอาจยาของภพถูกเหลาคือกรรมแทงถูกเวทนาคือความหิวกระหายรบกวนไม่ประสบความสาราญในภพข้าพระองค์ถูกไฟสามกองเผาลนจึงสแสวงหาความรอดพ้น ดุดผู้ต้องราชทันฉะนั้นท่านก็อุปมาก่อนว่าคนที่ถูกหลาเสียบแทงกดเสียบปักที่ประตูเมืองนี่เป็นยังไงไม่สบายเลยนะขยับตัวนิดก็ปวดขยับตัวหน่อยก็เจ็บปราถนาจะออกไปให้พ้นหลาวที่ปักเสียบอยู่นั่นแหละฉะนันใดเท่านก็บอกว่าข้าแต่พระมหาวีระข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันต้องอาทยาคือพบเรียกว่าถูกพบมันลงโทษ ถูกหลาวคือกรรมมันแทงถูกลงโทษอยู่ในภพนี่แหละกรรมมันก็ซัดแทงเอาถูกเวทนาคือความหิวกระหายรบกวนไม่ได้มีความสุขอยู่ในภพเลยเรามีความสุขไหมในการเห็นเห็นในการได้ยินในการท่องเที่ยวอะ่ะมีความสุขจริงๆริงไหมมันก็ไมไ่จริงอะไรเพราะฉะนั้นก็ว่าไม่ประสบความสําราญแล้วก็ถูกไฟสามกองเนี่ยเผาอยู่ตลอดเวลาไฟคือราคาเาะเผาไฟคือโทสะเผาไฟคือโมหเะเผา ทวารไหนบ้างไม่ถูกเผาเอานะไหลมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ถูกราคาโทสะโมหะเผากายวาจาใจใดบ้างที่เราไม่ทํากรรมด้วยราคาโทสะโมหะหายากเต็มทีนั้นถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลามันจึงสแสวงหาความรอดพ้นดุจคนต้องราช จ, จะทันฉะนั้นเหมือนถูกปักไว้อย่างนั้นนะต้องการหลุดพ้นอย่างเดียวชายผู้กล้าหารถูกยาเบื่อ เขาจะสแสวงหายาขนานศักดิ์สิทธิ์ที่จะแก้ยาเบื่อรักษาชีวิตไว้เมื่อสแสวงหาก็จะพบยาขนานศักดิ์สิทธิ์ที่แก้ยาเบื่อได้ครั้นดื่มยานั้นแล้วก็จะสบายเพราะรอดพ้นไปจากพิษยาเบื่อฉันใดข้าแต่พระมหาวีระข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นเหมือนนอรชนผู้ถูกยาเบื่อถูกอวิชาบีบคั้นแล้ว ต้องแสวงหายาขนานศักดิ์สิทธิ์คือพระสัจธรรมเมื่อแสวงหายาขนานศักดิ์สิทธิ์คือพระสัจธรรมก็ได้พบคําสั่งสอนของพระสักรยาโมนีคําสั่งสอนนั้นล้ําเลิศกว่าโอสถทุกอย่างบรรเทาลูกสอนทั้งมวลได้ครั้นได้ดื่มธรรมโอสถที่ถอนพิษได้ทุกอย่างแล้วข้าพระองค์ก็สัมผัสพระนิพพานที่ไม่แก่ไม่ตายมีสภาวะเยือกเย็น เคยไหมถ้ากินยาพิษเคยไม่กินอะไรมันเป็นพิษสำแลงขึ้นโยปรารถนาที่จะหายารักษาพอหมายถึงว่าถ้าไม่รักษาหมายถึงตายแน่ท่านผู้ที่พบยาที่แก้ยาเบื่อได้ก็จะประสบความสุขรอดพ้นจากยาพิษท่านก็บอกท่านเหมือนกันนะท่านถูกยาเบื่อถูกอวิชชาเนี่ยมันบีบอวิชชาเนี่ยบีบตลอดเลยนะทะวารหกลืมตาก็ธรรมะ30ก็ไม่เห็นอริยสัจ หูได้ยินเสียงก็ไม่ได้ยินว่าโอ้นี่ชาติวันนี้โสตโสตสมุทยัยโสตนิโรธโสตนิโรธาคามินีปฏิปทาก็ไม่เห็นนะ่ะความคิดแต่ละอย่างที่เราคิดนะ่ยโอ้มโนมโ น, มโนสมุทยัยมโนนิโรธมโนนิโรธาคามินีปฏิปทาเราก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นถูกอวิชชาเนี่ยมันบีบคั้นก็เลยสแสวงหายาศักดิ์สิทธิ์คือพระสัตธำมสัตธ ร, รมก็ตั้งแต่ปริยัติสัตธ ร, รมเมื่อได้ปริยัติสัตธ ร, รมก็จะปฏิบัต ติสัตรธรรมเมื่อปฏิบัตินั้นก็จะได้ผลคือปฏิเวสสัตยธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อสแสวงหายาขนานศักดิ์สิทธิ์คือพระสัตรธรรมก็พบคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคําสั่งสอนนั้นล้ําเลิศกว่ายาทุกชนิดเห ง, งือนกันบรรเทาลูกสอนทั้งมวลได้บรรเทาลูกสอนคือราคะบรรเทาลูกสอนคือโทสะบรรเทาลูกสอนคือโมหะได้หมดเลยบรรไดเดิมธรรมโอสถถอนยาพิษทุกอย่าง ท่านตอนนั้นท่านก็สัมผัสพระนิพพานแล้วนี่นะสัมผัสอาสังคตาธาตุสัมผัสธรรมะที่สงบประงับธรรมะที่สงบเยือกเย็ยนคนที่ถูกผีสิงเดือดร้อนเพราะเคราะห์คือผีต้องสาะแสวงหาหมอไลผ่ผีเพื่อให้รอดพ้นจากผีเมื่อสแสวงหาก็พบหมอผู้ฉลาดในทางพูดวิทยาหมอนั้นก็ต้องขับพูดผีพร้อมทั้งมูลให้เขา เพื่อให้พินาศไปฉันใดข้าแต่พระมหาวีระข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเดือดร้อนเพราะความเดือดร้อนคือความมืดเถวาวิชามันห่อไว้เสาะสแสวงหาความสว่างคือญาณเพื่อให้รอดพ้นจากความมืดได้พบพระสกยะมุนีผู้ทรงกำจัดความมืดคือกิเลสออกไปได้พระองค์ได้ทรงกำจัดความมืดให้ข้าพระองค์เหมือนหมอผีขับผีไปฉะนั้น ข้าพระองค์เนี่ยตัดทอนกระแสะแห่งสังสาระได้เด็ดขาดกั้นกระแสะตันหาไว้ได้ถอนพบทั้งหมดขึ้นได้เหมือนหมอผีขับผีออกไปโดยมูลเหตุฉะนั้นน่าคิดนะว่าแม้พระองค์เนี่ยกำจัดความมืดคือกิเลสให้หมดแล้วเพราะมีแสงสว่างคือยานเนี่ยเห็นอริยสัจเมื่อเห็นอริยสัจก็ถูกความมืดทั้งหมดก็ถูกกาจัดออกไป แล้วท่านก็บอกว่าท่านตัดกระแสสงสารได้นะกระแสแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันไหลไปที่ไม่มีสิ้นสุดเริ่มแรกตามันมีตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนแล้วที่สุดของสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนก็อไม่รู้เพั้นท่านบอกว่าสังสาระนี่มันคือท่ามกลางเลยแหละท่านก็ได้กั้นกระแสตันหาแต่ามากระแสตันหานี่กั้นด้วยอะไรก็กั้นด้วยสติที่สัมปยุติกับวิปัสสนานั่นเอง กระแสตันหานี่คือสติที่ประกอบกับวิปัสนาเนี่ยกั้นตันหาได้ทีนี้ตันหาเหล่านั้นจะถอนจริงๆได้ก็ถอนด้วยอริยมรรคมันอริยมรรคเกิดขึ้นก็ถอนพบขึ้นทั้งหมดเหมือนกับหมอผีถอนรากถอนโคนได้หมดเลยท่านก็อุปมาต่อไปว่านกครุดโฉบเอางูไปเป็นอาหารของตนยังสะใหญ่ร้อยยอดโดยรอบให้กับเพื่มมันจับงูได้แล้วก็จิกให้ตายเอาหัวห้อย พาบดบินหนีไปในที่นกต้องการฉันใดข้าแต่พระมหาวีระข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นเสมือนนกครุฑที่มีกำลังเมื่อสแสวงหาอาสังขตาธรรมคือพระนิพพานข้าพระองค์คายโทสะออกไปได้แล้วได้เห็นสันติบทที่เป็นธรรมะอันประเสริฐอย่างยอดเยี่ยมนาเอา พระสาธรรมนั้นไปพำนักอยู่เหมือนนกครุฑนำเอางูไปพักอยู่เะนั้นนีนะ้ก็เอาปริพัพระธรรมเนี่ยเป็นที่พักอ่ะนะเถาวรีชื่อว่าอาสาวดีเกิดในสวนจิตระดาเถาวลีนั้นหนึ่งพันปีจึงจะออกผลหนึ่งผลเถาชนิดนี้นะผันปีออกหนึ่งลูกอะ่ะแต่ว่ายากมากทวยเทพจะพากันเฝ้าแหน ผลของเถาอาสาวดีนั้นเมื่อมันมีผลระยะขนาดนั้นเถาวลีนั้นจึงเป็นที่รักของทวยเทพเมื่อเป็นอย่างนี้เถาอาสาวดีจึงเป็นเถาวลีชั้นยอดเป็นเถาวันชั้นเยี่ยมเลยนะพันปีออกหนึ่งครั้งคิดดูข่าแต่พระมุนีข่าพระองค์นี่หมายใจไว้แสนกับขอบำรุงพระองค์นมัสการทั้งเชา้าทั้งเย็นโอ้หมายใจไวไม่ธรรมาดานะ เหมือนทวยเทพมุ่งหมายเอาเถาอาสาวดีฉะนั้นรอมาตั้งแสนกับเพื่อที่จะมารับใช้พระพุทธเจ้าอ่ะเพื่อที่จะมาช่วยงานพระพุทธเจ้าการปรนิบัติและการนามัสการของข้าพระองค์ไม่เป็นหมันไม่เป็นโมคะข้าพระองค์ผู้สงบแล้วแม้มาแต่ไกลก็ไม่คล้วคลาดขณะนั้นไปได้ข้าพระองค์นี้ค้นหาอยู่ก็ไม่พบปฏิสนธิในภพ ค้นหานะว่าท่านจะไปเกิดที่ไหนได้อีกบ้างไม่มีข้าพระองค์นี้ปราศจากอุปธิหลุดพ้นแล้วสงบประงับแล้วท่องเที่ยวไปอยู่อุปมาเสมือนว่าดอกประทุมบานเพราะแสงอาทิตย์ฉันใดข้าแต่พระมหาวีระข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันเบิกบานแล้วเพราะพุทธรัศมีเบิกบานด้วยการแทงตลอดอริยสัตว์ในกาเนิดนกกยางจะไม่มีตัวผู้ ทุกครั้งที่ฟ้าร้องมันจะตั้งท้องทุกคราวตั้งท้องอยู่นานจนกว่าฟ้าจะไม่ร้องจะพ้นจากภาระคือการตกฟองต่อเมื่อฝนตกฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันได้ตั้งคันคือพระธรรมเพราะเสียงฟ้าคือพระธรรมตั้งคันเถะคือพระธรรมเพราะเสียงฟ้าคือพระธรรมก็คือฟังธรรมอ่ะที่ร้องเพราะเมฆ ค, คือพระธรรมของพระประทุมุตระ สัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงคันคือบุญอยู่เป็นเวลาแสนกับจะพ้นภาระจนกว่าฟ้าคือพระศัทธรรมจะหยุดร้องข้าแต่พระสกยตมุนีเมื่อใดพระองค์ผู้เสมือนฟ้าทรงร้องที่กรุงกบิลพัสบุรีอันรื่นรมเมื่อนั้นข้าพระองค์จึงจะพ้นจากภาระเพราะฝนคือฟ้าเพราะฝนฟ้าคือพระธรรมหยุดร้อง ข้าพระองค์ได้คลอดธรรมะทั ja. ้งหมดเหล่านี้คือสุญญติ์อนิมิตะและอปปนิหิตะอริยผลสี่อย่างตอนนี้อริยมรรคของท่านก็คลอดขึ้นมาแล้วอริยมรรคที่เป็นสุญญติอนิมิตต์อปปนิหิตะวิโมกเกิดขึ้นแล้วเพราะะนั้นสุญญตานี้เกิดจากสุญญตานุปัสสนานะอนิมิตะเกิดจากอนิมิตตานุปัสสนาอปปนิหิตะก็เกิดจากอปปนิหิตานุปัสสนา ทีนี้สุญญาก็คือเกิดจากอนัตตานุปัสสนานั่นเองอันิมิตาก็เกิดจากอนิจจานุปัสสนาอปปนิหิตาก็เกิดจากทุกขานุปัสสนาท่านเจริญอนุปัสนาสคืออนิจจานุปัสนาตามเห็นขันธาตุอายตนะโดยความเป็นไม่เที่ยงทุกขานุปัสนาก็คือตามเห็นขันอายตนะธาตุว่าเป็นทุกอนัตตานุปัสนาก็คือตามเห็นขันอายตนะธาตุว่าเป็นอนัตตา เป็นอนิจจังไม่เที่ยงก็เพราะว่าสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระมั้นก็อบรมอนุปัสนา3มที่บริบูรณ์ก็ยังความเบื่อหน่ายให้บริบูรณ์เมื่อเบื่อหน่ายเนี่ยนะอนุปัสนาเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยแก่วิโมกเมื่อได้วิโมกก็แทงตลอดอริยผลสี่ประการคือโสดาปฏิพนสกท า, าคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผล ข้าพระองค์เนี่ยปรารถนาคําสั่งสอนของพระองค์มุ่งหมายถึงประโยชน์อันใดที่นับประมาณไม่ถ้วนประโยชน์อันนั้นก็คือสันติบทหมายถึงพระนิพพานและข้อปฏิบัติเพื่อพระนิพพานอันยอดเยี่ยมข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วข้าพระองค์เป็นผู้เสมอเหมือนข้าพระองค์ประสบบารมีในพระวินยัยทรงจําทรงคําสอนไว้ได้เหมือนภิกษุ ผู้สแสวงหาคุณผู้เป็นนักพูดแม้ฉะนั้นข่าพระองค์นี้ไม่มีความเครือบแคลงในพระวินัยทั้งห้าคัมภีห้าคัมภีร์ก็คือคื อ, ค อ, คอทั้งขันทกะที่แบ่งออกเป็นสามคัมภีร์คือจุลวัคมหาวัคปริวานและก็คัมภีร์อุปโตภาวิพังเนี่ยนะกับคัมภีรอารถกรรมิกะกับคัมภีร์ปาจิตตีเนี่ยจุลวัคมหาวัคปริวานเนี่ยเขาเรียกว่าอาทิกกรรมิกะอาปามัจุปะเนี่ยรหัสของพระวินัยก็มีห้าคำ อก็คืออธิกรรมิกะปะก็คือปาจิตีจูก็คือจุรวัตรมะก็คือมหาวัตรแล้วก็ปะก็คือปริวานอาปามะ จ, จุปะท่านก็เป็นผู้ชำนาญในพระวินัยปิฎกทั้งหมดทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะเพราะฉะนั้นทุกคำในพระวินัยปิฎกไม่มีสงสัย